พระบัญญัติ385ก็ภิกษุใดขัดเคืองมีโทสะไม่แช่มชื่นใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลโดยมุ่งหมายว่าทำอย่างไรจึงจะให้ภิกษุนั้นพ้นจากพรหมจรรย์ น, นี้ได้ครั้นสมัยต่อจากนั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งโจทย์ก็ตามไม่โจทย์ก็ตามอธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องไม่มีมูลและภิกษุยอมรับผิดเป็นสังฆาธิเสษ เรื่องพระเมตยะและพระภูมชะกะจบ